การทมกันอ้ไรกินได้ฟังเอาไวา้เ <c oughs> นี่ยก็นำไปปฏิบัติ ด, ด้วยนำไปทาด้วยเพราะเรามีกายมีใจกายใจเขาเกี่ยวข้องกับภายในภายนอก จึงต้องปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องถ้าทำกับกายกับใจกับภายนอกภายในไม่ถูกต้องมันก็มีโทษมีภยัยมีปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นจำเป็นเราต้องปฏิบัติธรรมเพราะเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องโดยการ กับตัวเราบ้างกับคนอื่นบ้างกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นบ้างเรีย <c> บ <oughs> <c oughs> ว่าวัตถุอาการต่างต่างมันมีอยู่ปฏิเสธไม่ได้ในตัวเรานี้ก็มีสภาวะที่หลงมีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่ถุกสุขมีสภาวะที่ทุกข์ สภาวะที่ไม่สุขมีสภาวะที่ไม่ทุกข์มีของเป็นคู่มีของเป็นขี้ของเป็นขี้หรือว่าผมมาจาันของเป็นคู่หรือว่าลดของโลกสุขกับทุกข์เป็นคู่กันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีคู่บริสุทธ์ อันนี้เดาว่าเราก็มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้บางทีก็หลงไปในความสุขความสุกกลายเป็นความสุขความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เหมือนเหมือนล่มเงาของก้อนเมฆลากอนเมฆปังดวงอาทิตย์ก็มีบด ร่มกอางว่างเาลาวลาก่อนเมฆออกจากดวงอาทิตย์ก็มีร้อนฉุกทุกมันไม่ใช่ยตัวช่ยตนตั้งแต่อาการที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนแต่บางคนอาศัยสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้อาศัยความสุขเกลียดความทุกข์ อังก็ไม่สำเร็จสักทีถ้าเรามาศึกษาดูปฏิบัติดูระหว่างความสุขความทุกข์และมีสติเห็นมันไม่เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มันจะมีอีกโลกหนึ่งกับชีวิตของเราไม่ใช่จะมีแต่สุขแต่ทุกข์โท่านานถ้ามีอันไม่สุขไม่ทุกข์อยู่แล้วก็ มันก็จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเอาพระเจ้าตัดสู้ขึ้นมาพร้อมด้วยพระธรรมคำสอนพอเห็นเรื่องนี้จึงอองจ่งไหนที่ขี้เล้วพระองค์เขียนออกหมดแล้วจึ่งไหนที่ค่วมเปิดหงายแล้วซึ่งไหนที่ปิดเปิดออกแล้ว จึงไหนตรงมืดสองแสงสว่างในที่นั่นแล้วจึงไหนที่หลงบอกให้บอกให้คนหลงทางแล้วแตาอะไรที่เป็นโทษเป็นภยัยพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดเหมือนหลวงตาไปอยู่สลรัฐไปเที่ยวรัฐต่างๆวางแห่งเขามันมีภัย งูพิษแถวเอแถวเนี่ยถ้า ต, ตรงไหนมีพิษมีสัตว์มีพิษมีงูงูพิษเขาก็ล้อมวดหนามไว้ไม่ให้คนเข้าไปเพื่อมันจะมีอันตราย เอ่งรถเป็นหลายชั่วโมงในเห็นส่วนที่เขาไมา่ให้คนเข้าไปในป่างูพิษมันมองไม่เห็นมาอยู่ใต้ดินมันเอาหัวมันขึ้นมาเพล่าสัตว์บางทีเอาหางมันขึ้นมาล่าสัตว์ ถ้าจัดประเภทใดมันเหินถางมันกระดิกติ๊กติ ก, ก, กเร่าแมลงแล้วก็ไปกลับไปยินก็กัดเอาเป็นอาหารมันคนไม่ค่อยสังเกตก็อาจจะถูกงูพิษกัดเจิงล่องั่วไว้ป้องกันไว้ไม่ให้คนเข้าไปมันมีอันตรายแม่เจ้ แคมต่างๆที่พักต่างๆที่เขาจัดเป็นแคมให้คนไปพักทอนในป่าใน ด, ดงแล้วก็จัดให้ปลอดภัยให้มีเห็บกวงเยอะเขาก็ไปพ่นยาต่บเห็บกวง ในรถสมยที่ปลอดภยัยแล้วก็ลาดปูนไว้เป็นเช่มเป็นเชื่อมเป็นจุดเป็นจุดให้คนไปกลางเต้นนี่เรียกว่าเพื่อความปลอดภยัยกวางตายรดชน ถนนวนละหลายตัวตามถนนสายต่างๆเพระาะกวงมันเยอะให้คนกินให้คนชำแหละเนื้อถ้าคนจะกินเนื้อสัตว์ต้องผ่านกระทรวงสารสุขมาตรวจสอบก่อนจึงชำแหละและเนื้อได้เราก็ไม่ตรวจเวลาควางตายก็ไม่ลดกลมทางมาและโคมายกไป แล้วก็เอาแม้โคขดลงฝังท่างถนนอันนี้เขาป้องกันพระพุทธเจ้าเสมือนกับสาณสุขนั่นแหละป้องกันไม่คนตกไปในที่ชั่วตกไปในความทุกข์แล้วมันอันนั้นมันเป็นภายนอก ป้องกันอาหารป้องกันที่อายุอาศัยป้องกันเครื่องกินเครื่องใช้นนั่นเป็นปัจจัยภายนอกจนปัจจัยภายในคือกายคือใจเราเนี่ยเราจะป้องกันขนาดอันนั้นมาดีขนาดไหนแต่ว่าความสุขความทุกข์ความหลงความโกรธความโลภกิเลสตัณหาภัยยังมีอยู่กับชีวิตเราในกายเรานี่ในใจเราเนี่ย เราเชิงมาปฏิบัติธรรมฝึกตนสอนตนเตือนตนแล้วมันผิดก็เตือนตนเองให้รู้โดยเพราะภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นสากลตัดไว้ดีแล้ว อะไรก็ตามที่เกิดกับกายกับใจมีตัวรู้สึกตัวสภาพที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นทำก็มีรู้สึกตัวมันก็เฉือนความหลงหงดออกไม่ต้องไปทําอลายง่ายๆถ้ามีความรู้สึกตัวควทุกข์ก็เฉือนออกแล้วความสุขก็เฉือนออกแล้วเฉืนเฉืนที่รู้ทิ้งไปแล้ว ถ้ามีความรู้สึกตัวสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่เป็นโทษก็หมดไปหมดไปสิ่งที่เจริญก็เจริญขึ้นเรารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องเป็นนิสัยเป็นปัจจัยชีวิตของเราต้องฝึกตนเองให้เป็นนิสัย ใช่การกระทำภายนอกอย่างเดียวภายในด้วยมีัฉด้วยใช้ชีวิตเหมาะสมกับอัดรำรกับสมมุิกับบัญญัติกับพัตธุอาการต่างๆให้เหมาะสมทำกับสิ่งใดไม่เหมาะสมประมาท นิดเดียวก็ผิดพลาดได้จึงหัดให้เป็นนิสัยตอนที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในกายในใจเรานี่ก็รู้อยาหยาบไปหาละเอียดความโกรธมันหยาบอันนิสัยมันลึกกว่านั้นบางทีความโกรธหยาบม า, มากจะไม่รู้ บางคนโกรธไม่รู้ว่าตัวองโกรธไปตู้ตังผิดเพมันหยาบคลายแต่ลี้ยงออกด่ากันเี่งก็าหากันทำลายกันมันหยาบขนาดมองไม่เห็นคนเดิน ม, มองเห็นก็วิ่งกันหนีแต่บางคนนะถ้าฝึกแล้วพอมันเกิดความโกรธขึ้นคิดขึ้นมาอันรู้แล้ว มันจะแสดงออกมาได้มันควบคุมแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นจึ่งที่ชั่วร้ายมีนิสัยแล้วจึงขัดใจรู้ไว้ให้มีนิสัยอะไรก็ตามที่มันจะไม่ใช่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆไปหัดให้มีสติจะไปเกี่ยวข้อง อย่าประมาทในความสุขอย่าประมาทในความได้ความสะดวกสบายบางทีมันก็พาให้หลงได้บางทีติดสุขติดได้ก็มีอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ติดการได้เมื่อไปได้ก็ต้องไปเสียเมือม่อเสียแล้วก็ไม่ค่อยพอใจ ทำไมลงตาประโยชนังเอยนะมีพระโลกดังเป็นเจ้าคุณไอ้ที่เด็กกับลาบเยอะแยะมีช่างสีเชือกมีบ้านพักเป็นโรงแรงมีนาท่านคิดว่าจะต้องมีทั้งสองอย่าง ฐานะทางศพจอบมบัดก็ให้มีฐานะทางศีลทังธรรมก็ให้มีได้จ่าลาไม่ลุกขี่หลังในวัดนั้นโบก็ใหญ่โตวกว่าโบกคนอื่นเพราะมีแตร่รายได้ใช่ไมเรื่อทองคำ อยู่หาทรายแม่น้ำของคนไปล่อนแ้่ทองคำแล้วเจ้าคุณลุกนี่ก็ไปนั่งเอาบาดวางไว้กับชาวบ้านที่ไปล่อนเร่อาชาวบ้านในแรกก็มาใส่บาทแปง ก, กันกันก็ได้แล่ทองคำมาแต่เป็นเงินเป็นทองที่เข้าวซื้อของ ตาๆเคยไปจ้างช่างมาลากไม้ขึ้นห้วยแต่หมายอยู่พุทธยานเอาออกให้ไม้ให้ในห้วยไม้ท่อนใหญ่อยู่ในห้วยในจ้างญาติโมโอชายกไปจ้างช่างเจ้ า, าคุณมาสองเชือกเลย อดันท่อนน้อยเค้นห้วยปเป็นช่างลากทรงโลสงสารมันคนขี่ช่างควรช่างเขาไม่ให้ไม่ให้หลงตาเตือนดูมันมันน้อยใจถ้าเราไปโอ้น่าสงสารมันจะไม่ไปเลยนั้นให้บอกไม่ให้พูดตัวใหญ่ เวลามันดันท่อนทรงอ่ะมดเข้าออทัวเท่ากําปั้นมันหนัก้างที <c oughs> ่เจ้าคนโลกนี่มีโบสหลังงามเจ้าฟังแม่นม้ำเลยแล้วก็น้ำไหลซาะเขื่อนฝังพังเข้าไปจะถึงโบสต้นโพด้าโบสโค่นลงไปแล้ว จะน้ำหลากมาฝังมันเลยไม่ไปอยู่นิ่งมันเป็นนินจายมันเคลื่อนไปเรื่อยเจ้าคนก็ไปตัดใ้มาทำเขื่อนในป่าสงวนทางชาติเขามาทำเป็นเสาเขื่อนการ น, น้ำไหลต่อนดีถูกตำรวจเขาจับหว่าทำลายป่า ก็เสีอเงินเสือทองตะวันช่วยก็คิดมากเป็นประศาทมีแต่ได้พอเสียเราทำใจไปได้เลยเสียใจมากเป็นบ้าไปเลยบ้าไม่ฟื้นเลยเสียผู้เสียคนไปเลยพอมีแต่ได้มันก็สุข อะไรก็เอาอะไรก็เอาที่ส ก, ก็ประสาวะไปก็ป่วยไปเลยตายไปแล้วดาเคยไปดูนัอ่งอยู่ก็ตีเฉยๆเดินเข้าไปในบ้านปล่อยผ้าปล่อยผ่เดินไปในบ้านวัดกูอยู่สอยวัดกูอยู่น้อย ว่างก็พามาส่งทังวัดความเป็นมากเลยละเดินหนีจากวัดไปบัดกูอยู่ไหนหลงวัดแล้วไปทางไหนล่ะเดินเข้าไปในบา้านให้สวด ต, ตายเลยพอตายเข้าไปหลวตาก็เป็นพระสงฆ์เป็นกรรมการไปดูชอบสินทั้งหลายเิี๊ยวนทช่วงหัว ก็ไม่เกียดไปไหนเป็นปี๊บๆไม่เคยแจกให้ใครไปยกเียวอนอกอนมันทับกันนานจนยกออกย่อจนจนขาดไปเลยเสียดายไม่เคยแจกใครนี่แต่ได้อันตรายนะแต่ได้กับเสียมันคู่กันอยู่อย่าไปยินดี กับความพอใจอย่าไปยินไล่กับความไม่พอใจปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงมันก็ต้องมีอะมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์บางทีมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้เป็นปัญญามันก็เห็นอย่กากับตากับชีวิตของเราอยู่สุขทุกข์ผิดถูก น้อยเสียยิ่งนริมบัดปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ไม่ดีอ่ะมีเหมือนกันมียาโจมมาปฏิบัติธรรมจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เป็นคราวาสยาโจมจบเป็นครูมาทมงานไม่ชื่อเสียงมาสมัคร สอจอ์ได้สอจอสองสมัยู้นำในเดต้านเอาไปมาก็เห็นว่าทางโลกสำเร็จหมดแล้วทางทางทรมากมวดในพุทธศาสนาสร้างเกดีใหญ่เอากันไปหลายล้านสำเร็จ สร้างโบสถ์องใหญ่สองชั้นหมดเงินเป็นหลายล้านสําเร็จสร้างมณโกใส่พระพุทธรูปพอเงินเป็นหลายล้านสําเร็จอะไรก็สําเร็จหมดอ่านะปฏิบัติธรรมเอาเรื่องได้เอาเรื่องสําเร็จมาต่อรองมีเท่านี้จะเอาให้สําเร็จ พอามาปฏิบัติธรรมก็สมเร็จไปปฏิบัติธรรมมัดหลวงพกลมเนี่ยเรียกหลองตาไปดูห้อาอจารย์มาดูหน่อยแล้วก็ห่มผ้าดูผมที่อาจารย์ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เหมือนเก่าแล้วนะห่ผมผ้าขึ้นเงดูผมที เราก็ดูอะไรมันเป็นไรเอาไม่เห็นเลยนะดอกวัวเต็มตัวผมหมดเลยเอาผ้าวางออกเิ่งไปก็ออขึ้นมาเป็นดอกวัวเห็นไหม <c oughs> เราก็าก็หลงแล้วว่แเล้เราก็ไม่บอกว่าไม่มีก็ไม่ว่า <c oughs> ก็พูดไปอ่าไปเป็นโดปัวไปเป็นทองคำก็ช่างมันเถอะอย่าไปหลงไม่มีสติดึงออกมาเอาขนาดนี้ยังไม่มองเห็นเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รู้อย่างนี้จะเป็นอาจารย์สอนได้ยังไงแต่าบางครรมไม่ถึงผมแล้ว เอาสิเลปันเวิเศษขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามแก้อยอยู่วัดวัดอะไรหลวงพ่อกองจัตุรัสวัดวัดวังวัดนะวัดวังวัดหลวงพ่อใหญ่นี่เปิดปฏิบัติธรรมกาไปปฏิบัติอาจารก็หลอกไปกลัวจะ สั่งวันอากาศให้ไม่ดีพทษยามดึงออกก็มายอมบ อ, อกอออกได้เล็กหน่อยก็ดูแรงตลอดเวลาเดินไปไหนเหมือนดอกปัวลองลอบไปแล้วเห็นพระเจ้าเดินอยู่บนดอกปัวคิดเบ่าคงจะได้ขนาดนั้น เบาไปเลยไม่เหมือนไม่มีไม่ไม่มีการเหยียบพืชดินเลยนีต่อราบัวรองเร า, ปาไปเสร็จแล้วแล้วก็ชวนไปบราเบอร์ดีแล้วกลับบราเบอร์เรานัา่งรถไปพ็ จ, จะถึงบราเบอร้องต า, าก็แยกไปข่อนเชิญ อา้าว่าจะไปบอลเวอร์ทำไมยแยกไปคอนเสิรอา้าไปไหนก็ได้เราไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้หรอกที่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็อย่ากไปยึดมัน่นถือมั่นมันมันเป็นดอกบวมันจะเหาะเหอเดินขาดอย่ากไปยึดมันไปขอนแจิร์ตไปไปคอนแสิรเอาไปไปโยกฮัตโมกคอนแจิ ร, คครถ้าไปบอลเือจะไปโคเซียง เลยไม่ไปหาใครพาไปวัดโมกมันเจิดโอ้ยสอนก็นอยู่จงค่อยคืนมามันจเจ้าให้ได้มันก็ได้จริงๆนะถ้าไม้ก็เสียใจจริงๆนะไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติรามเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นน่สติได้นะอย่าไปเป็นน้องบอกได้ยินไหม หเห็นอย่าเป็นมันเห็นมันสุขก็อย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยเขื่นอนดอกแล้วสุขทุกข์เขื่นอนหนกแล้วไม่มีแล้วมีสติรูปว่จนไม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ ว, ว่าปฏิบัติธรรมมีไหมมันสุขมีไหมมันทุกข์มีไหมมันหลงมีไห ม, ม มันผิดมันถูกไม่หมเดือว่าเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกกันถ้าเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกก็ไปไหนไม่ได้ถ้าเห็นมันผิดมันถูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไว้หลังแล้วเห็นที่ใดคือเห็นมันผิดเห็นแล้วผิดเห็นแล้วถูกเห็นแล้วสุกเห็นแล้วทุกข์เห็นแล้วเสร็จแล้ว ไม่ครับไปจนแล้วมีจี่พันกีหมื่นข้างก็เห็นแล้วเห็นแล้วเรียกว่าอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วรู้แล้วนะในหัวใจเรานี่ไม่ต้องเขียนเป็นภาษาหนังสือเป็นอัญญาสิคือรู้แล้วนะเบาๆนะง่ายๆปฏิบัตรรริรำนะมันเป็นกอ่อเป็นกรรมมันมีอันงานการงาน ไม่ใช่ไม่มีงานไม่ใช่มันฟรียกมือขึ้นก็รู้ก็รู้เหนี่ยก็รู้ก็มีความรู้มันก็ไม่มีความหลงแม้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ปากคลบขวงเียียมันรู้อยู่มันก็มีความรู้เลยไปรู้เรื่อยไปถ้าไม่รู้มันก็ไม่เห็นหลงไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์เพราะมันรู้จึงเห็นสุขเห็นทุกข์ได้ เราก็เปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วเดินด้วยลมแช่งแล้วได้เห็นแล้วเห็นรู้จักรสชาติของโลกแล้วไม่ปิดบังอภิภงแล้วก็ไม่สติแล้วตื่นแล้วไม่หลับแล้วรู้เสียวตัวขึ้นมาเรียกว่าตื่นแล้ว ถึงทางกายถึงทางใจกายก็ออกมาเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ใจก็เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้มิเดืสิ่งที่ช่วยเราให้เรารู้รูปรดจีนเสียงก็เป็นความรู้อร่อยอะไรในโลกเนี้ยนินทาเนเสริอสุขทุกข์ลดของโลกร้อนหนาวคือความรู้ วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์คือความรู้ดุนอ่ดยี่ดุสามเป็นสี่หหเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นความรู้ไม่มีการเวลาที่จะไม่มีความรู้เลยอากาลิกิธรรมจาคนเรียบง่ายไม่มีวัน ไหนวันไห น, ไหนเป็นของอะไรของอะไรนีแต่ความรู้ไปเกินวันมีแต่ความรู้ไปรู้ไปอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยเลื่องแต่ความรู้เราไม่เป็นความรู้มีอะไรแล้วก็สัมผัสดูอาจจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความไม่หลงไม่ทุกข์ไม่โศกไม่ทุกข์ทันแล้ว เมื่อมีความไม่หลงไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บปัญตายไปถึงโน้นไม่มีวกมีชาติไปถึงโน้นไปแล้วไม่ใช่ไม่ไปถ้ารู้มันก็ไปแล้วไปจากกลมหลงนั่นแหละนี่จะไปถามใครให้ใครสอนเรา ใครก็ช oui, er mm ่วยเราไม่ได้ก nah ็ต้องสอนเราต้องเครื่อขต้องเปลี่ยนแต่งตัวเราเองมันก็อยู่กับเรานั่นแหละความหลงก็อยู่กับเราเราหลงเองความรู้ก็อยู่กับเราเราลู่เองความชุกก็อยู่กับเราเราลู่เอง อย่าให้มันเป็นใหญ่ให้มีความรู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนความรู้เป็นธรรมเป็นอิจราภาพเป็นมิตรภาพความหลงน่ะมัน สุดตรงไปทางใดทางหนังสุขก็คือหลงทุกข์ก็คือหลงผิดถูกก็คือหล ง, หลงนั่นแหละมันเป็นรถของโลกแค่นี้เราจะต้องทำไม่ได้เลยจะมาอยู่กับโลกนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีให้วันให้เวลาให้เหตุปัจจัยอย่างตา่าง เป็นเจ้าว่านเจ้าเหลือนชีวิตเราแล้วแต่จะเป็นยังไงมันไม่ได้แล้วเท่านี้ไม่พอมันต้องเกิดเจ็บเจบตายมันมีทุกข์อีกมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วไม่ใช่เราจะประมาทในสุขในทุกข์ ก็มีส hmm. ุขมีทุกข์อยู aus, ่มันก็มีเบื้องหน้าเลยไปถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มันก็ไม่มีเบื้องหน้าเวชนาไม่ทุกข์ลูกไม่ทุกข์เวชนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์ได้ไหมหรือว่าเวชนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ ยอมหรือแค่เนี้ยเวทนาน่ยมันยอมเหรอมันปวดมันเมื่อยเวทนามันทุกข์มันร้อนมันหนาวมันหิวเป็นทุกข์ยอมแล้วเหรอในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ในความทุกข์ ม, ก ม, กมีบ้างไหมถ้ามีก็หัดชี้ต้องขัดตนอย่งใดที่เคยเป็นทุกข์มีสติลงไปรู้ มันจะต่างกับบ้างไหมมีผลไหมเป็นมากบ้างไหมความทุกข์ปวดไปได้บ้างไหมกี่เปอร์เซนต์ความทุกข์จะร้0เอร์ซน์ี่ยจะลดลงไหมสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอเนถ้าก็ปฏิบัติได้อยู่เอชนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ แคนี้ก็ทุกข์ก็สุขไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชีวิตนะถ้าสุขถราทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นชีวิตที่มีภยัยถ้าเหนือสุกข์เหนืทุกข์ได้จึงจะชีวิตของเราเอตนามไปเป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์มันก็ขันหน้านะ ว่าระโยะอุปทานนขันทั้งห้าเป็นตัวทุก์โยโย่เอวังปะหุลังสาบเจวินเณติเอวังพระเจจักพนพกาสสะปะกวาโตพระสงฆ์สาวกทั้งหลายลูกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเรื่องนี้เป็นส่วนมากมันอยู่ที่ไหนอะจึงเราเนี่ย อยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่พระสาวกของไหนมันอยู่กับลูกกับนามเหล่านี้อะลูกนามคือกายคือใจเรเนี้ยมันมีสัญญาสังขารวิญญาณตามันก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณแต่หูลูกตามไม่มีวิญญาณแล้วหูหนวดหูบอดแล้วเอาแค่นี้เลยอันนี้เว่าไม่ทุกข์คือไม่ได้ยินนั่นเหลยมันยังมีใจ มีกายแงหูหกก็ยังมีทุกมีกิเลสอะไรอยู่นะตาบอดก็ยังมีนะสมัยหนึ่งหลวงตาเดินไปนาเขาจุงคนตาบอดมาเดินผ่านมามีต้นมะยมต้นหนึ่งอยู่อยู่อยู่นอกอยู่นอกทางไป ถนนมันมีขี่เลนขี้ตรงหลีกเข้าไปในในสวนเขาอมีมีผู้หญิงขึ้นต้นมัโยมอยู่ผู้หญิงก็บอกเออ่ยอยเพาะมานนี้่อยขึ้นต้นไม้คนตาบอดนะเขาจูงไปโอ้ไม่ไม่เห็นลนตานะลนตาแบกจอบมาแต่นะเขาคุยกับคนจูงเขาโอ้ผู้สาวเด็กขึ้นต้นมักยมเหรอ โอ้เพิ่นเราตีนชินว่า่หรอว่ามันสร้างใต่สิปเป็นยังไงล่ะว่าได้ซอ้อมบางติตาบอดแล้วยังคิดเห็นเขาเหใช่ไหมตาบอดไม่มีกายมีใจไม่มีจิตตนาจะนะอืมอ่าหูหนวกก็ยังไม่ใช่มันต้องมีสติเข้าไปดูให้รอบโลกทั้งหมดเลยให้จะตายเลย ใช่ก็ยังไม่ทุกข์เจ็บก็มีทุกข์อยู่ไม่ใช่ตาบอดอันตามันเจ็บตาบอดแล้วมันเจ็บเป็นไหมหูหลอกมันตายเป็นไหมนู่นมันอยู่ชื่อใดกันแน่น่นจะอยู่ในถ้ำในเหวชื่อใดก็มาได้เพราะเราไม่รูปมีนามมีวิญญาณมันรู้อะไรได้ มันธรรมชาติมันเป็นฉันชาติมีคนมันจึงมีมรรคผลนิพพานถ้ามันมีรูปในนามก็ไม่มีมรรคผลนิพพานมันเกิดมาเพื่อให้มีมรรคผลนิพพานรูปนามเนี่ยถ้าเอารูปนามไปก็เจ็เจ็บตายเฉยๆไม่คุ้มค่าแล้วตอบบุญแทนคนพ่อแม่ไม่ได้เกิดมาตายลเล่นไป ต้องให้เสียใจอยู่มันมัน่าจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไม่พุทธศาสนาในพระพุทธเจ้ามีเหล่าพระสาวกมีธรรมมีมรรคผลมีที้ผ่านมีเจนสารของชีวิตของเรา ถ้ามีจะเปลือกแต่มมก ค, คือกาคยคือใจสุขสขกุกทุกทุกอยู่มันเป็นเปลือกเป็นโอกมันไม่ทนในความสุขก็ไม่ทนในความทุกข์ก็ไม่ทนอะไรเป็นเปลือกเป็นกะพีเดี๋ยไปหลงให้มันลึกเข้าไปเกิดมันสุขเหตุมันทุกข์เข้าไปสักงหน่อยทนชักหน่อย ถ้าเห็นแล้วไม่เป็นก็ทนไปทนไปภาวะที่ไม่เป็นภาวะที่เห็นเนี่ยไม่เป็นของที่ทนทานภาวะที่เป็นไม่ทนทานเปลี่ยนแปลงอยู่เลยนยั่นก็เราก็มีโยนะไอ้คิดของเราเนี่ยจะร่างว่าหนุว่าสาวจะร่างว่าแฉว่าเท่าเหมือนกันหมด มันลักษณะคนแก่คนเท่าก็หลงเป็นโกรธเป็นโุกเป็นทุกข์เป็ น, ปนคนหนุ่มก็โกรธเป็นโศกเป็นทุกข์เป็ น, ปนแต่หลงคนละวาระหลงกันรูปคนแก่คนเท่าอาจจะไม่หลงรูปรถกินเสียงแต่มันหลงอีกแบบนางคนหนุ่มคนสาวก็อยู่ในรูปในรถในกินในเสียง หลงใหญความรักความพอใจความแย่งันเท่าเราก็รักแบบใหม่ให้รักเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวรักแบบใหม่มันต่างกันแต่ที่แท้คือหลงนั่นแหละถ้ารู้ล้วก็ไม่ว่าแย่ว่าหนุ่มอันเดียวกันเลย ไม่ว่าเพทใได้วาวะใดัรธิไดยศาสนาดนิกายได้ชื่อว่าหลงเราเหมือนกันชื่อว่าไม่หลงก็เหมือนกันนี่คือธรรมะมอยู่ในชีวิตของเราที่มีรูปมีนามนี้อยู่ศึกษารื่นี้กันพวกเรา ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรจะแปลว่าอะไรถ้ามีความรู้สึกตัวก็ทั้งหมดแล้วของผมอาจารย์ถ้ามีความรู้ก็ทัองหมดแล้วของโลกไม่ไม่ยากสมองขวนเจเวลากาบพระพร้อมกัน